แหมลูกเสว่าแต่ละพักก็อยากจะเป็นรัฐบาลครับใช่ทำที่ดีควรให้เป็นทุกพักใชยขอใครอยากจะเป็นนายกใคเป็นไปเลยนะนายกใครก็เป็นที่เป็นคนเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันจะหลับกันใช่เป็นนายกทุกคนเป็นรัฐสีทุกคนรวยแน่ เน่ลูกหลานก็ไม่รู้จะตัดสินใจไปเลือกพักไหนแหมทหัรหลวงพ่อได้อาณาการทางสยานบอกลูกบอกหลานก็ยินเอาเลยพักพระมาแล้วกันนะเออพักเดียวมาไม่ได้หรอกนะหลายๆพักก็อาศัยเหตุอาศัยผลก็แล้วกันนะ ใครก็เคยทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เลือกเข้าไปใส่นั้นขมวดเรื่องไปคุณวิเชียนลยีกุญแจแล้วบัตรขอคุณอยู่นี่นะวิเชียนควจริงพรรคก็มีสิทธิเลือกเหมือนกันนะเขาบอกว่าผิดกฎหมายไม่อะไรเลยมไม่ผิดกินไหนเลือกพรรคเหมือนกัน ลุงพ่อครับพระสามารถจะเลือกพักอะไรได้ครับรักผ่สบายมากมหาธิรสมงคมมีสือเวียนไปเอาพระต้องเป็นกลางห้ามวัดต่างๆให้อุดแท้ผููต่อคแทนหาเสียงให้เขตวัดนะเอาเดี๋ยว ้าเดงตัวคนพอเราลาเด้เขาเขากลับมาทุ่มเลยทีจริงจะไปพูดแทนนี่ก็ลำบากนะหินใจเราโอ้ยจีต่างคนต่างพูดกันบ่าจะเป็นอั้น กุรงฉันไปสงสัยคนสอบตกโอ้สอบยังไงครับคางทานก็ตกทุกพักะไม่ความว่าก็ดูัจหวั ด, ดจิแจใจหวัดไทยเขามีสองคนใช่ไหมมีคนสมัครสิบสี่คนอีกสิบสองคนก็ต้องตกไปจะไปใครมาจังเลยนะ จะได้เงินเพื่อลงทุนนะนั่นสิคอมปอร์เตอร์เฟสผสมนี่จะดีกว่าจะดีกว่าไหมจะให้ให้ฉันใช้ฟรีก็เนี่ยดีแต่ว่าปดีใจที่เขาไม่ตังจ่ายนะแค่ไม่ต้องซื้อเสียงก็จ่ายเยอะแล้วเลยล้านก็ไม่พอแล้ว นี่พปสเตอร์ต่างๆที่ปิดจะราคาเป็นแสนใช่ไหมแล้วลก็ต้องต้องเดินหาเสียงก็ต้องใช้คนคนทุกคนก็ต้องจินต้องใช้ก็ส่วนมากต้องมีหลายพักที่เดินหาเสียงตามบ้าน พอปฏิบัติานผมผมก็ถามภาพถามาว่าคราวนี้จะเผาอะไรต่อไปฏิบเนี่ยเด้อเพราะทุกปีคยอยเผานอนเผานี่เรื่อย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> แล้วต่อลงนนะอะไร่ะเขาก็บอกว่าผมจะช่วยตนจะช่วยที่จะนั่นแม่ว่าไอ้ช่วยผองแม่วงของปูจะเผาอย่างเดียวเ <c oughs> ขาบอกครับขอบคุณนะคะะรับอย่าลืมเลือดเลือดผมก็แล้วกันผมจะไม่เผาแล้วแก ใช่ใช่ทุกนะครับตรลนี่เขาต้องหมดจัวไปต่างคนต่างเป็นทุกจะได้หรือไม่ได้พอได้มาแล้วก็ยังมีทุกอีกจะได้ตุนคืนไหมนี่จะยุบกระพารึเปล่าแสดงว่าแต่ว่าคนที่ไม่ทุกข์เคยฝันนั่นแหละ อันนั่งฝันเลยนหลับก็ฝันตื่นก็ฝันฝันเลยนะวันนี้อย่าขายเทศแล้วข้าหมื่นหลับแน่ตัวนี้ข้าแสนตลับโอ้ยฝันฝันไปฝันไปฝันให้ขอแล้วใช่ใช่ใช่ใช่ก็ฝันไปอ่อ เออหนักหนักกันนที oh ่เทวดาเขเอาไปหลายสังฆาไปหลายองคเนี่ยิวต้นไม้ผิวๆให้หลายองค์ยังนั่นอ๋อนี่มือจุดทูบไปแลโอ้อะโอ้เนี่นักทาวเนี่ยเขาทูบเลยนะเขาช่วยหน่อยได้ได้จรีง ใช่ถ้าเราตั้งใจจริงไปเจตนาจริงนะพอเริ่มใสเรื่องของคันแล้วศรัทธาจริงเริ่มาสจาริงผลก็ไม่จริงแ้วที่สคัญก็คือมีลูกหล่อหลวงพ่อไปนั่งหน้าเย็บแข่งเยอะรับกขของฉ <laughs> <laughs> ันไปหัวหน้าพัก <laughs> พักเฝ้าบ้าน <laughs> บางทีเขาจะไปบ้านบอกลพ่อช่วยฟอกบ้านหน่อยนะยังไงวันขอเออมันเอาจิงๆฮะยั ง, งไม่ไปใจว่าไอ้กูมัอนเหนื่อยแย่อยู่แล้วมันจะไปขายของเออลุงพ่อช่วยขายองหน่อยเออเด็ครับบางทีมันเอาเอาจิงๆเอาไรอ่ะเอาทุๆไปเนะไม่ใช่เฉพาะจุนี่ทุๆไปเล นอนนอนมันทีสะดุ้งเสียงอะไร่ะริมยงเสือไปต้อเวเขาต้องมีคัดเอาคุยปิดไว้ต้องยกคันเอาเสมอไม่งั้นแสบหู เี่ไปออกเรียกไปออกก็อหงพ่ออ่าเรองคนปัวยจะตายก็ห ล, ลงพ่อไอ้งพ่อก็จะตาย่าเรื่องว่าัวเรียกไปตายพ่อคนที่เรียกทีท่สุดคือไอ u ียูพวกนั้นนะใช่แล้วแต่จะก็รอดหลายหลายเลยขนาดหมอหลงมาตีตายเก้สญญาสเ้าปอรเ็นขดคเรเซนเดียวนะแเนเดียวเอาบนหลงพ่อพบ ชาวอกวมาหายเป่งเลยลอดไดอย่างไรจะสงสัยดิพ่อจะช่วยเขาได้หรช่วยตัวเองได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องแปลกนะถ้าเรียกพระถ้าองค์ไหนที่มีความสามารถจะช่วยถ้าเทวดาช่วยกรมช่วยจนน่ะ ถ้าท่านไม่ว่ า, ทางท่านกรจัดองค์นี้มีความสามารถโดยเฉพาะพอช่วยเหลือมีผลเคยไปถามหลวพ่อปานท่านบอกหลว่อตายแล้วสบายนะครับมาอยู่ที่มารเถอไปสบายบอกโอ้มาหนักกว่ <laughs> า, าเป็นมนุษย์ชุเลยถามทำไมไอเป็นมนุษย์บรรจุดทูบเราไม่เห็นท<อ> <laughs> ี่ตอนตายแล้วจุดทูบเห็นนะ่ะหรือไม่บางทีไม่รู้จะไปไหนไม่จุดรวมรอมกัน <laughs> ต้องแบ่งพระบริษัทให้พระบริษัทบางองค์ที่มีความสามารถในด้านนั้นไปแทนท่นช่วยกันนะ ค, ะครับครับ<า>เนี่ยฮะไม่แน่มาที่มันร้อนตูดมนแบบไม่ต้อ <c oughs> <c oughs> งมาเอางี้ดี่ะคบเพลิงสิ เห็นชัดดีเจยบไปทำไปทำครบหแล้วเจ็บนะให้ฝันเป็นจุดโอ <c oughs> สาดอกดีคสามด อ, อกก็ดีห้าด อ, อกก็ดี แปดอกก็ดีเ้าดอกก็ดีสิบดอกก็ดีไม่เลิจกจับไม่ได้ไม่ทันเลยจังเป็นแถวเลยแต่ว่าที่บ้านผมใช้มียานัดทูกสาวมั่งมีด้วยครับโอ้ <c oughs> ช้ได้ยเจ๊ดายพ่จะได้อยู่นันๆหน่อยพวกแปดเดียวเราข้อกลับเลยว่ายาหน้าจะปวดปวดใช้ได้เป็นเดือนเลย อย่างนั้นลูกาวก็มีนะผ่านะะันต้องมันมันมันต้องกลองแล้วขวดทองคำต้องทองคำไปแขวนไว้ทางสามแพร<อ> <laughs> ่งคราตอนนี้จะหลังศักดิ์สิทเลยเอนนี้เฮี้ยนแน่เลยเรี <laughs> ย้ยนเ <laughs> ลยแดาวงก้องหรอได้กูจะน่าถอได้<ะ>เอาต่อไปนะ ย่ายยุบนลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการแนะนำาการจลภาคประธานก็อย่าขอพูดแบบย่อยๆนะเอาหนักนั ก, กจะลำบากเมื่อวานนี้ไปหยุดอยู่ที่ชั้ชนที่หนึ่งวันนี้ก็อยู่แค่ชั้นหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าพูดมากเกินไป ฟังแล้วมันก็ลึได้นาหนืาลหลังได้หลังนมหน้าที่พรา อ, อยากยิ่งกันจะเริ่มกรมฐานในตอนต้นสำคัญมากถ้าขอเริ่มต้นสักก่อนกาแยกโยมใหม่ในตอนต้นก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะเริ่มจริ่มกรรมฐานขอให้จุดทูปบูชาพระก่อนใช่ไหมขั้บแรกนะก็ตั้งใจจำภาพพระพุทธรูป ลืมตาดูท่านจำให้ได้ไม่หลับตาก็ได้ตั้งใจจำท่าพระไว้แล้วก็บูชาพระตามที่เคยบูชาหลังจากนั้นแล้วก็สม า, า, ม า, มาทานกรรมฐานถ้าสมาทานไม่ไหวฟ้าไม่เป็ี่ยนก็ไม่ต้งอง ต, งตองั้งนโมัสการจบท่านก็ตั้งสมัสการใช้ได้ต่อจา น, นไปก็นั่งขัดสมาธิให้นั่งที่บ้านบรรดาแยกจดจำหน่าย จะนั่งขัดสมาธก็ได้นั่งพระเรียบก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ไดห้อยขาก็ได้ตามชอบใจทั้งนี้พ่อเลยว่าเอาตามสบายนั่งนอนยืนเดินทั้งสี่อย่างนี้มีผลเสมอกันไม่จําเป็นว่าจะต้องนั่งเฉยเมื่อการเริ่มต้นสมาธิให้กําหนดจับลมให้ใจเขาออกทําความรู้สึก ว่าเวลานี้หายใจเข้าเรารู้อยู่หายใจออกเรารู้อยู่เทีวภาวนาตามคำภาวนานี้ไม่จํากัดบรรดาญาโยมพุทธริสัชน์ใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบถ้าคล่องแบบไหนก็ว่าแบบนั้นตามใจชอบถ้ายังไม่เคยภาวนามาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธ เวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าธูตอนให้ใจนี่ก็เหมือนกันขอจงอย่าบังคับร่างกายร่างกายแใจให้ใจเร็วหรือใจช้าก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายอย่าบังคับถ้าร่างกายให้ใจช้าลว้วภาวนาเร็วมีคนไปถามมิวัตท่าุงว่าฉันภาวนาว่าพุทธธมันไม่ไหว ถามว่าทําไมจึงเหลืบอ ก, บอกมาเอาพุโทโธพุโทโตพุโทโตพุโธหายใจไม่ทันบอกเออขาดใจตายเท่าก็ดีมากแหมมันไม่จะใช่จาคําสอนที่ไหนเ้าก็สอนกันว่าให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธใจออกให้งหมโธแต่ลมหายใจนั้นต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของร่างกายร่างกายให้ใจช้าหรือหาใจเร็วก็ตจันใจจะร่างกายมันจะได้เหมืนอะไร ตอนตอนต้นสมาธิท่านเรียกว่าขันิกะสมาธิคําว่าขันิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยอารมณ์จะทรงได้ไม่นานนักบางทีหนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างสาม น, นาทีสา น, นาทีเปนยังมากอีกก็เคลื่อนนึกถึงเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเริ่มต้นในสมาธิแล้ว ในเมื่อมันเคลื่อนไปเราทราบว่า ม, มันเคลื่อนก็เริ่มต้นใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่รู้ลมหาใจเขาออกภาวนาตามทาแบบนี้สลับกัน <c oughs> ต่อมาจิต ก, ก็มีความดีทุ่มชื่นขึ้นมีปีติคําว่าปีติมัน ม, มันต้องคามอิ่มใจยามนี้ข้าวเป็นขั้นอุปจาระสมาธิ ตอนที่จิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิในบรรดาแยกโยผู้โดยสัตว์จิตเริ่มเป็นทิพย์มักจะเห็นภาพต่างๆบางทีเห็นแสงสีบ้างบางเห็นภาพเป็นคนบ้างเป็นเป็นมีมานบ้างเป็นบ้านช่องบ้างนี่เป็นต้นตอนนี้เป็อุปจาระสมาธิแต่ตอนที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิมีปีติเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความสุขร่วมด้วย จะมีความอิ่มเอิบมากก็มีความสุขมากจะมีความสุขอย่างนี่นแกไม่เคยมีความสุขมาก่อนแกก็ต้องระวังทางกายอาการขอสมาธิมีห้ายอย่างอันนี้บรรดา ญ, ญาโยมผู้เบต้องจำถ้ามีความจําเป็นต้องจําก็มีหลายคนไปถามกันอยู่เรื่อยที่วัดท่าสุงมฆการถามทุกวันอาการขอสมาธิ อาการของปีติท่านนี้เพราะว่าท่านไม่ได้อ่านธราราจึงไม่มีใครบอกบางทีมีคนบอกก็จัไม่ได้อาการของปีติมันจะมีอย่างไรก็ช่งางเราู้อจิตเป็นสุขเป็นสำคัญถ้าปีติเกิดขึ้นจิตจะมีความสุขมากมีความอิ่มเอิบมากตอะนี้อาการตองในห้าอย่างคือเมื่อขนพองสยองกล้าว เอเริ่มทำสมาธิปับจิดขนกรุกสู่ซาหังหวงูกัวผีอาการอย่างนี้อย่างหนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหลอาการที่สามร่างกายยกโครงยกไปยกมายกหน้ายกหลงังอาการที่สี่มีการเต้นรือลอยตัวลอยวองกาศจำค่าจิตวิราชนมี ตัวลอยวงกัดเห็นขั้นล่งทั้งหมดจะนึกว่าจะมาวัดธาสุซมอะไรตรงกับที่เดิมนั่นเป็นอการของปีติไม่จะเหาะได้ถ้าเหาะได้มันจะไปตามใจเราชอบนี่นถ้าถึงอาการปิดิถ้าปีติเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่ากลัวอาการที่ห้ามีอาการทราดสรัางทางร่างกายจะหมายความว่า มันเหมือนกับลมออกจากร่างกายพี่ว่มีความรู้สึกมันออกนอกนแล้วเข้าไม่รู้สึกเบาเบาใจเจ้านอนแล้วเข้าไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายมีความรู้สึกว่าหน้ามันใหญ่ขึ้นมันรู้สึกแค่หน้าตัวหายไปอย่างนี้นอาการปีติตัวที่ห้าฉันอาการปีติทด้อย่างทั้งหมด อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามปล่อยอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขเวลานั้นจิตจะมีความสุขมากจะมีความอิม่มเอิบมากมีความเพลิดเพมากถ้าโดยเพราะอย่างยิ่งไม่ไมื่อเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจิตเริ่มเป็นทิพย์ตัวนี้มีความสำคัญมากจงอย่าหลงภาพถ้าภาพที่เกิดขึ้นนอกจากภาพที่เรากําหนดไว้ ถ้าเราตั้งใจดูพระพุทรูปถ้าภาพพระรูปโตขึ้นและเล็กลงดีนั่นดีมากสูงขึ้นแล้วเราลอสูงขึ้นบ้างต่ำบ้างไปขนาดเบื้องหลังก็ได้อย่างนั้นดีมากถ้าเป็นภาพอื่นอย่าสนใจเพราะภาพจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตเริ่มเป็นคิดตอนนี้มันในเมื่อเราได้ใหม่ๆไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อจิตกระทบพาดพระความสนใจเกิดขึ้นจมาทิ้เคลื่อนภาพหายหายไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้บางคนที่เป็นบ้าเพราะบ้าตรงนี้นะบ้าเพราะหลงพลาดจงจําไว้ว่าภาพที่เราบุกครักับเราได้ที่เราต้องการคือภาพที่เราตั้งไว้ก่อนอย่างเรานั่งบูชาพระอยู่นั่งจําภาพพระพุทธรูปหลับตาลืมตามองดูจําได้หลักกานึกถึงภาพ ถ้าภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปอันนีดีมากถ้าภาพพระพุรูปใหญ่ขึ้นโตขึ้นสว่างมากขึ้นอันนี้จะมาที่ดีขึ้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เป็นพรมนุษย์เป็นพระสงฆ์ธรรมดาเนี่ยใช้ได้ก็รู้ความว่าอย่าหลงภาพอื่นให้ตั้งใจเฉพาภาพที่เราต้องการถ้าถามว่าปีติจะทรงตัวได้นานหรือไม่นาน ก็ต้องตอบว่าปีติยังเป็นฌานโลกีถ้าเราเผลอหลงมากเกินไปปิติก็สลายตัวเพรนต้องต้องระมัดระวังสิ่งที่ระวังมากที่สุดก็คือศีลต้องทรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิจะไม่ทรงตัวถ้าปีติกระด้างกระด้จะสลายตัว นี่สำหรับการนั่งภาวนาจะนั่งนานหรือไม่นานก็ต้องตามใจชอบอย่าฝืนร่างกายเกินไปจงทำแค่พอสบายถ้ามาเริ่มตระใหมก็เลิกเสียนั่งนานๆมันเมื่อยเก็นอนก็ได้จะตั้งห้อยขายก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ <c oughs> การภาวนาก็ดีก็รรู้ลมหายใจเขาออกก็ดี เป็นการฝึกอารมณ์ทรงตัวเพา ส, า, าสมาธิเมื่อสมาธิทรงตัวดีแล้วแล้วก็ใช้กำลังใจพิจารณาวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณเ น, นี่ยจะมาจะไม่พูดตามตำราจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาเพราะท่านบอกว่าลูกศิษย์ของคุณกับเทวดามีกำลังใจเสมอกัน ให้เจกิดคลุ้ m เดือบเหลอห่อเลย น, นะถ้าต่างคนต่างห่อที่ทังหมดนะนั่นหมายความว่าเวลาถ้าบอกกําลังใจสมอกันทั้งนี้พ่อเเพราะว่าอาทิตย์สมานากายคือกายจริงๆของคนทุกคนที่มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดนือ้อแต่กายนอกไอ้กายนอกมันแก่ได้ไมันหิวได้แต่กายนั้นไม่แก่ไม่หียว นี่ต้องดูข้างในใช้เจตุรยานนี่คนที่ได้มาลยวิถีก็จะรู้ว่ากายในตัวเป็นยังไงคือเวลาที่ออกจากตัวไปไปพิจุลามณีก็ดีไปนิพพ า, านก็ดีไปไหนก็ตามรูปร่างหน้าตาเขาเาป็นยังไงมันไม่เหมือนตัวเดิมเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเป็นเดวดาบเป็นนางฟ้าไม่เป็นลมทน่นนี้ถ้ากายในมันดี อย่างนั้นท่านเรียกว่าเปเทวด า, วามนุษย์เทวดานะร่างกายเป็นมนุยรรษย์แต่จิตใจเหมือนเทวดานี่โดยอัตยาสายใจคอความต้องการคล้ายเทวดาท่านบอกว่าเมื่อฟังเทศเจ้าท่านนะท่านบอกว่าเวลาจะสอนลูกศิษย์เธอต้องสอนตามนี้นะมันง่ายดีแล้วก็สั้นการจเจริญกรรมฐานมีหลายแบบการมีหลายแบบคือการแนะนําำจะมีหลายแบบ ที่เห็นก็พระเจ้าบางครั้งเทศยาวมากบางครั้งก็เทศสัน้นบางทีก็เทศพอดีพอดีที่เทศยาวมา ก, กคือเวลาสอนคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่างๆที่สอนต้องพูดยาวต้องพูดละเอียดไม่เช่นักนใครหามีความรู้น้อยเขามมณะจาญญาําเป็นต้องพูดยาวเช่นสอนปัญญวิธีฤาษีตั้งห้าปีต้นใช่ไหมท่านสอนยาวมากธรรมจัก ถ้าส่วนเกือบตายไม่รู้เรื่องคนฟังก็ฟังมือเกือตายไม่รู้เรื่องแต่ให้ทั้งคนสวยคนโถนคนฟังไม่รู้เรื่องทั้งคู่นะความที่นั่นทันเทศเทศเป็นภาษาที่รู้เรื่องแ้วเทศกับชาดินชาดินเข้าไปคณะอาจารย์ก็ต้องเทศยาวคืออาทิตย์ตบทิยาที่สุด น, นี่เวลาสอนกับคนธรรมดา บางทีทั้งประเทศเป็นพระสูตรบ้างแต่เรื่องพระสูตรเล่าไปใ น, นที่สุดก็ลงอริยสั์ที่สอนสั้นที่สุดก็คือท่านพายะภายะในสอนสั้นที่สุดคือสอนด้วยคําว่วาพายะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้เองพอพูดจบทะเบรันท้อมัถึงนพิทา ย, ยานแม่งการแนะ น, นาะําบรรดาญาโยมพุทธบริสุทก็เช่นเดียวกัน ท่านแนะนำมาบอกลูกศิษย์ของเธอมีจิตใจเสมอกทวดาให้สอนเหมือนท่านสอนเทวดาถ้าเราสอนสร้างไปสักางมาเนะี่ยนหลายวันมาแล้วนะท่านสอนว่ายังไงจำได้ไม่ฝันท่านสอนโยกสามเออจำได้ดีมากละได้ไห ม, ไมไเกือบเกือ บ, เ ก, อ บ, เ, กอบเกือบได้นะเออเอาแค่นี้กแล้วกันคืนหนึ่ง ส ก, กายาิทิถ้าพูดอย่างนี้ยากกว่พระเจ้าพูดพระเจ้าไม่พูดอย่างนี้ท่านตัดสินว่าท่านละลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้มีความรู้สึกเราจะต้องตายคนอื่นเขาตายได้เราก็ตายได้โจงคิดว่าโลกทั้งโลกไม่มีความสุข มนุษยโลกนะี่นะในเมืองมนุษย์เคนที่มีความสุขจริงนะไม่มีมีแต่ความทุกข์แต่บางทีมันได้มากๆก็เรื่กงคาสุขจ้ากจฝันนี่เป็นต้นได้สตางค์มากๆมันเกื่าสุขแต่ความจริง ม, มันไม่นอนไนมะ่นอน่ต้องพูดคอแหบคอแห้งควาจริงนันตัวนั้นเป็นตัวทุกข์ตัวเหนื่อยนะแต่ไม่เห็นทุกข์ก็แบ่งมาบางหน่ะ <laughs> แต่ว่ายกทรงเหมืนอกนกันนะทุกคนเหมือนกันนะเราต้องมองไปจหาความจริงว่ามันทุกข์หรือมันสุขจริงตามพระเจ้าธรรมะถ้าพิจารณาเราได้เห็นว่ามันทุกข์จริงๆข้าวที่เราจะกินไปสักคำก็ได้มาจากความทุกข์ภาพพื้นหนึ่งที่เราจะได้มาก็ได้มาจากความทุกข์ ทสิ่งทุกอย่างที่ได้มาได้มาทั้งหมดจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องทํามาหากินพระพูดสั้นๆสู้เทวดานางฟ้าพรมเขาไม่ได้เทวดานางฟ้ารฤาษีเขาไม่ต้องทํามาหากินเขาอิ่มเป็นปกติร่างกายเขาก็สวยเขาไม่มีความแก่เขาไม่มีการป่วย แก่ก็ไปแก่ป่วยก็ไปป่วยการสุดซ o m ก็ไป ม, มีน้ำก็ไปต้องอาบไม่มีเนื้อใช่ั้ยผ้าก็ไปต้องซักใช้ชุดเดียวใช้ได้เลยเฮ้ยสุทนทรเป็นนาิวดานาง้าพรงเง่อแต่ว่าโดยทีนางฟ้ากับโริไม่สุกจริงแต่ว่าสุกไม่นานเมื่อหมดวุญวิวาสนารมีก็ต้องจุดติจุดติก็เคลื่อ น, เ ค, อนเคลื่อนไปจากที่นั่น คนเราก็เหมือนกันจะเราจะเราใช้สบายตายนี่พระเจ้าทำไมพูดท่านใช้สบายการรังกตวานทาการละแล้วถึงการเวลาที่ต้องไปถ้าไม่บอกว่าตายถ้าคนเขบอกว่าตายแล้วสูญเชื่อเขาได้ถ้าการรังกตวานเชื่อเขาไม่ได้ถึงการเวลานะในภาษาหนาเราบอกตายแล้วไม่สูญ ถ้าทำความดีจิตก่อนจะตายจิตนึกถึงความดีก็เป็นด า, าเป็นนางฟ้าเป็นลมถ้าก็เป็นพระหลานไปนิพพานถ้าจิตนึกถึงความชั่วก็ไปบอบายภู ม, มินทรกเป็นตนฉะนั้นขอทุกคนก่อนจะตายเมื่อคิดว่าเราจะตายแล้วก็คิดว่าถ้าตายต้องตายไปสู่ที่ดีต้องดีกว่ามนุษย์อย่างน้อยก็เป็นไปสวรรค์หรือว่ารลม ไม่ใช่นั่นก็หวังนิพพายเป็นนิสุดถ้าเราจะไปสวรรค์ได้ไปพุทุมได้ก็ต้องมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือยอมรับเราถือพระพุทธเจ้าประธรธธรมพธธระอาาริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจตั้งใจเคารพด้วยความเต็มใจซีเพออย่างยิ่งที่ภาวนาว่าพุโทโธอย่าภาวนาเฉยๆคำพุโทโธนะั่นถือว่าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า พระ น, นามแทนองค์พระพุทธเจ้านึกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้พาพระเจ้าอยู่กับเราจรึงนี้เป็นต้นแล้วต่อไปให้ทรงสินให้บริสุทธิ์ถ้ามีสินบริสุทธิ์หนึ่งนึกถึงความตายสองยอมรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็สามมีสินบริสุทธิ์ทั้งสามอย่างถ้าทำได้จะเรียกว่าพระโสดาบัน คนที่เป็นมโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทำผ่านมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลคือาโสดาบันนี่ลงลงลงนรกไม่ได้ถ้าลงรถไฟดับเขาห้ามไม่ไปเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมถ้าไปดูเราไปไปอยู่แล้วไม่อยู่เอีเออใครไปลงไหมนี่ต่อมาท่านบอกว่าเท่าหวังนิ่ผ่าน ก็ให้มองถึงโลกทั้งสามว่าโลกทั้งสามไม่เป็นที่ต้องการของเรามนุษย์มนมุษยโลกเต็มได้วยความทุกข์เกิดมาเมื่อไรทุกเมื่อ น, นั้นถ้าจะอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเราไม่เอาสวรรค์กับพรหมมีความสุขจริงแหละแต่ว่าเป็นสุขเพืนสุขไม่นานเราไม่เอาเราต้องการพระพิพาน หลังจากนั้นก็นทําใจสบายที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคือว่าไม่สนใจร่างกายของเราไม่สนใจร่างกายของอื่นนี่มาที่ไม่เกาะนะคําว่าไม่สนใจนี่มาที่ไม่เกาะแม้ว่าเราต้องการพึ่งคนบาคนคนนี้อยากจะพึ่งเขาตลอดชีวิตมันไม่แน่นอนเขาอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมจงพึ่งยึดธรรมะเป็นสําคัญ คออือย่าติดในบุคคลย่าติดร่างกายของเรายาติดร่างกายรูปคนอืน่นให้คิดว่าร่างกายของเรามันยังต้องตายคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตั้งใจแล้วสาสินอารมณ์เมื่อเวลาหมดไปยี่สิบนาทีนะนนหรือไลสิบนาทีเอาเท่านี้พอนะพออย่างยังไม่พอ พอต่อสิทฐานเหนื่อย